ก็ดับไปแล้วแต่ว่าทำไมไม่เรียกว่าจากคูวิญญาณเป็นธรรมที่ดับตัญหาล่ะก็เพราะอะไรพันธ์ก็มีโจทย์อะไรให้ให้ไขครวนอีกมากมายเนี่ยนะ ก, ก็ค่อยๆศึกษาไปนะก็ตั้งถามๆคำๆไปงันะ้นแหะใครไม่คำด้วยก็ไม่เป็นไรคำคนเดียวก็ได้ภรษาริบุตรก็บรรลุเรียบร้อยแล้วนะเอานั้งก็ได้แต่อัฏถะไปแล้วไง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 อตอนนี้พระพุทธเจ้าภาษาสดาของเราเนี่ยประทับอยู่ที่ไหน mm. ก็บอกว่าอยู่ที่เวลุวันการันทการนิวาปสถานก็เลยกราบเรียนท่านว่าให้ท่านกลับไปก่อนเดี๋ยวได้รับปากกับเพื่อนไว้แล้วว่าจะเข้าไปหาเพื่อนแล้วก็จะชวนเพื่อนเข้าไปหาเฝ้าพระพุทธเจ้านะก็กรนิมนท่านกลับไปก่อนเถอะมันภาษาดิบปริภาชกก็เลยเข้าไปหาโมกขลานะปริภาชกโมคขลานะปริภาชกเห็นภาษาริบุตรปริภาชกเดินมาแต่ไกล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 อริยมรรคและแทงตลอดพระนิพพานเป็นที่ดับทุกข์แล้วเป็นแน่ภาษาริบุตรก็บอกถูกต้องถูกแล้วละอุโสเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเห็นแล้วอ่ะเงินพโมคะลานะก็ถามว่าท่านบรรลุอมตะธรรมได้อย่างไรด้วยวิธีใดขอบอกวิธีข้อปฏิบัติด้วยเถอะก็คืออย่างพระพุทธศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ยโดยสับหมายถึงข้อปฏิบัตินะ พุทธศาสนาเนี่ยคือคําสอนที่ประกอบไปด้วยศีขาสามอาธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาพระพุทธศาสนากล่าวถึงข้อปฏิบัติมุ่งไปที่ข้อปฏิบัตินั้นข้อปฏิบัติที่จะทําให้บรรลุอมะตะธรรมให้บรรลุธรรมที่ไม่ตายเนี่ยด้วยวิธีอะไร ภาษาดิบุตรก็เล่าเท้าความหลังให้ฟังว่าอวุโสวันนี้เราได้เห็นพระอัศจีกาลังเที่ยวบินธบาตในพระนครราชครึกมีมารยาทก้าวไปถอยกลับแผลเหลียวคู่เหยียดหน้าเลื่อมสายมีในตาทอดลงถึงพร้อมด้วยอิริยาบถครั้นแล้วเราได้มีความนําเริว่าบรรดาพระอารหันต์หรือท่านผู้ได้บรรลุอรหั ต, ตมรักในโลกภิกษุรูปนี้คงเป็นผู้ใดผู้หนึ่งแน่ถ้ากระไรเราเพิ่งเข้าไปหาภิกษูรูปนี้แล้วเรียนถามท่านว่า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 เราพากันไปสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นภาษาสดาของเราภาษารีบุตรปริพาชกก็กล่าวว่าผู้มีอายุปริพาชกห้ารอคนนี้อาศัยเราเห็นแก่เราจึงอยู่ในสํานักนี้จงบอกกล่าวพวกนั้นก่อนพวกนั้นจับทําตามที่เข้าใจภาษารีบุทโมคลานะก็เข้าไปหาปริพาชกเหล่านั้นคือวันที่ภาษารีบุตรออกบวชเนี่ยนะ วันนั้นที่ไปดูละครเนี่ยก็นั่งรถกันไปกับบริวารมีบริวารเลยประมาณพันคนเนยนะคือมีบริวารคนละ500้ยคนละ500ก็นั่งรถอย่างดีไปเลยนั่นแหละนี้พอพอคิดจะบวชแค่นั้นแหละไม่กลับบ้านเลยก็เลยบอกว่าไอค้คนที่เหลือนะเอาสมมติมีลูกศิษย์มาคนนะเนี่ยก็เอ า, เอาชุดหนึ่งเอารถกลับไปใครจะบวชก็บวชไปไอ้พวกที่ไม่บวชก็เอารถกลับไปบ้านก็แล้วกัน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 มันว่างเปล่าจริงๆมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยก็บอกว่าในโลกนี้คนโง่มากหรือฉลาดมากเขาบอกโง่ามากเออพวกฉลาดก็ไปหาพระพุทธเจ้าพวกโง่ๆก็มาสํานักเราก็นละกันก็แล้วก็อีกในหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์หวังว่าลาบสการะเนี่ยมันจะมีนะต่อไปเนี่ยเขาก็ไปบูชาพระพุทธเจ้าทั้งทั้งนั้นแหละมีใครบูชาอาจารย์รอกก็บอกโอ้ยชันเนี่ยนะเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นอาจารย์มานานจะให้ชั้นเนี่ย ไปเป็นลูกศิษย์เขาอย่างไงมันก็เหมือนกับว่าไปอยู่ในตุ่มะนะไปเป็นค่าๆว่าเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ขนาดนี้จะไปให้เป็นก้นกุฏิเขาเลยเนี่ยนะกลายไปเป็นแหม่ศิษย์ใหม่มาเลยเนี่ยทําใจไม่ได้หรอกไปกันเถอะใครอยากไปก็ไปไม่เอาด้วยหรอกว่างั้นจะขออยู่เป็นอาจารย์ใหญ่ที่นี่เท่านั้นคิดว่าขอเป็นที่หนึ่งในหมู่คนพานด้วยกันก็ยังดีกว่าไปเป็นคนที่โหลที่สุดในหมู่บัณฑิตเพราะงั้นเอ่อพวกนี้ก็กระไรนะยินดีขนาดนี้เลยนะ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 อีก250ก็ติดตามภาษาริบทพระโมคคัลลานะไปพระพุทธเจ้าก็ทอดพระเนตรเห็นสาริบทพระโมคคัลลานะมาแต่ไกลเทียวก็รับสังข้พิสูทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสหายสองคนนั้นคือโกลิตะและอุปติสะกาลังมานั้นจากเป็นคู่สาวกของเราจากเป็นคู่อันเจริญชั้นเยี่ยมของเราเนี่ยนะก็เป็นเรียกว่าอัคระเนี่ยแปล ว, ว่าเลิศนะบรรดาสาวกผู้เลิศที่สุดคู่นี้เป็น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 พระโมคขลานะใช้เวลากี่วันนะบรรลุอรหันต์เจวันใช่ไหมภาษาฤาษีบทอ่ะสิบห้าวันอ่ะนะสิ้าวันแล้วบรรลุก็แสดงว่าบวชต้นเดือนสามเนี่ยนะวันเพ็ญเดือนสามนี่เป็นวันมาฆะใช่ไหมแสดงว่าภาษาฤาษีบรพระโมคขลานะมาบวชวันขึ้นหนึ่งค่พอดีะนะวันที่ท่านบวชมาคือวันบวชขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสามพันวันเวลาผ่านไปเนี่ยนะเจวันพระโมคขลานะก็บรรลุเป็นผ่าอรหันต์ หลังจากนั้นหนาะวันเพนอ่ะ น, นะวันมาฆบูชาวันมาฆะบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์เนี่ยนะจริงก็มีการบรรลุโดยลําดับพระโมคคัลลานะเนี่ยบรรลุที่กาลสิลาเนี่ยนะที่ที่กาลสิลาส่วนพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุที่ถ้าสุกระขาตา แต่ก็คงไม่ใช่ถ้ำเดียวกันกับที่ที่คนไปอินเดียแล้วก็ชี้ให้ดูไม่ใช่ถ้ำนั้นแน่เพราะถ้ำนั้นต้องลงลึกเข้าไปเนี่ยนะต้องลงลึกเข้าไปแล้วก็ถ้ำใหญ่เป็นถ้ำใหญ่อันนั้นมันชะงอนหินหน่อยเดียวเนี่ยนะแต่เขาก็เอาไว้ให้คนที่ไปไปก็จะได้ไประลึกถึงอะนะไม่ไม่ได้เป็นของแท้ของจริงอะไรเราก็ไปได้ระลึกถึงทิ้งต่างสมมุติเอาก็ได้สมมุติวันนี้สุกรัขาตาแม้อะไรมันจะเรียงจิตให้นักท่องเที่ยวได้เดินทีเดียวแล้วก็ไปเห็นหมดเลยเกินไปเหงือนกัน จำไว้เขาว่าอันนั้นเขาไว้ให้น น, นให้ระลึกถึงแคเฉยๆนะพอวันที่พระสาริบุตรบรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยน ะ, อะตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เขาคิชกูดเนี่ยนะเขาคิชกูดแล้วก็พระองค์ก็เหาะไปที่ที่ไหนที่เวโรวันน่ยนะซึ่งขณะนั้นเนี่ยนนก็มีพระอรหันประชุมกันอยู่แล้ววันนั้นเนี่ยประชุมกันทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่รูป แสดงว่าพระสชชิเนี่ยไปจาริกที่อื่นต่อหรือไม่ทางศาสนาเนี่ยตัวเลขจะเกินบ้างสองาสี่เขาไม่ถือเป็นประมาณ น, นะจะพูดปุรณะกะถาว่าเอาให้มันเอามันแบบตัวเลขที่มันจำ ง, ง่ายๆนะอาจจะขาดบ้างเกินบ้างก็ไม่ไม่เป็นประมาณก็เลยกล่าวว่า 1,250 รูปประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระพุทธเจ้าก็แสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยนะแสดงโอวาทปาติโมกนะสัพปาปัสสะาการนังเป็นต้นในวัน มาคาบูชาวันเพ็ญเดือนสช่วงนั้นก็มีผู้ผู้ที่เริ่มเข้ามาบวชนี่ยเยอะขึ้นแล้วนะผู้ที่เข้ามาบวชนี่ยเยอะมากพันสมัยนั้นกุลบทชาวมคตที่มีชื่อเสียงต่างๆก็พากันมาประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าประชาชนก็เลยพากันเพ่งโทษโพลธนาว่าพระสมณโคดมปฏิบัติให้ชายเนี่ยไม่มีบุตรพระสมณโคดมปฏิบัติให้หญิงทั้งหลายเนี่ยเป็นไม พระสมณะโคโดมเนี่ยปฏิบัติเพื่อตัดสกุลเงงันโอ้โนี่บวชกันหมดแล้วขนาดนี้บัดนี้พระสมณะโคโดมก็ให้ชดินพันรูปบวชแล้วเสร็จแล้วก็ยังจะไม่พอยังให้อาจิ์ของอาจารย์สรรชัยอีก250คนบวชแล้วกุลบตรชาวมคุที่มีชื่อเสียงต่างๆก็พากาันรประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักพระโคโดมอันหนึ่งประชาชนเห็นพิสูจทั้งหลายก็เลยโจดพระพิสูจนก็เที่ยวบินธบัตในเมืองราชาครกเป็นพันรูปใช่ไหมก็เลยถูกด่าเลย พระมหาสมณะเสด็จมาสู่ปริพัชะก็คือพระนครที่เป็นภูเขาล้อมรอบเนี่ยนะของชาวนครมคตแล้วเนี่ยก็นำปริพาชคสันชัยทั้งปวงไปแล้วบัดนี้จะนำใครไปอีกแล้วนะคอยเป็นห่วงเหลือเกินว่าใครจะแปลว่าถูกเกณฑ์นะถูกเกณฑ์ไปบวชคล้ายๆก็นึกแบบนั้น่ะ ภิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชนเพ่งโทษติเตียนโพลธนาอยู่ก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเสียงนั้นจักตั้งอยู่ไม่ได้นานจักได้อยู่เพียง7วันเท่านั้นพ้น7วันก็จักหายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าชนเหล่าใดกล่าวหาต่อพวกเธอด้วยคาถานี้ว่าดังนี้ว่าพระมหาสมณะสเสด็จมาสู่คิริพระชานครของชาวมคตแล้วได้ทรงนำปริพาชกของพวกสันใจทั้งปวงไปแล้ว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 แต่นําไปโดยพระสัตธรรมนําไปโดยโพธิปักกิยธรรมนําไปด้วยสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์พะละใครก็รู้ว่าพระพุทธเจ้านําไปตามองค์มรรคเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะริษยากันไปทําไม่จริงไอ้คนที่สร้างเรื่องขึ้นมาก็คือพวกกลุ่มปริภาชกทั้งหลายผู้ที่กลุ่มเสื่อมลาบสการะทั้งหลายก็หาช่องเนี่ยนะประชาชนทั้งหลายเห็นพิสูจน์ทั้งหลายกล่าวตอบด้วยคาถาอย่างนี้แล้ว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 สเสด็จถึงกรุงราชครึกประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันมหาวิหารพระองค์ก็เลยตรัสเรียกมหาอมาตถ์ผู้หนึ่งมาตรัสสั่งว่าพนะไอ้ามานี่แน่เจ้าพร้อมกับบุรุษพันหนึ่งเป็นบริวารจงไปกรุงราชครึกพูดตามคําของเราว่าพระเจ้าสุดโททนะมหาราชบิดาท่านมีประสงค์จะพบท่านแล้วจงพาออรสของเรามาเกเรวช้อํานาจกรรษัตริย์สั่งลงไปว่าพ่ออยากพบขอให้ลูกไปพบพ่อด่วนอะไรครับจดหมายด่วนอะไรแบบนี้นะ มหาอมาตถู้นั้นก็รับพระราชโอค์การแล้วมีบุุรพันหนึ่งเป็นบริวารเดินทาง60โยชโยเข้าไปยังไปยังไหนเวรุวันมหาวิหารในเวลาแสดงธรรมพอิไปถูกเลือกถุยามมากมหาอมาตถู้นั้นก็คิดว่าข่าวที่พระราชาส่งมาเนี่ยพักไว้ก่อนก็ยืนท้ายบริษัทฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาทั้งที่ยืนอยู่ก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมกับบุรพันหนึ่งทูลขอบรรประชาว พระศาสดาก็เหยียดแขนประหัตตรัสว่าเอทะพิกโวพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดชนเหล่านั้นทั้งหมดก็ทรงบาดจีวรสําเร็จด้วยฤทธันใดพร้อมด้วยกิริยาที่เหมาะแก่สมณะประหนึ่งพระเถระร้อยพรรษาเวทล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าลืมเลยเคือหมายว่าเอาตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นอมาตะแล้วพ้นจากความเป็นอมาตะแล้วไปทําตามคําสั่งพระราชาทําไมพระราชาก็คิดว่าคนที่ไปก็ยังไม่มาข่าวก็ไม่ได้ยิน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 พ่อเนี่ยประสงค์จะพบโอรสก็ส่งบุรุษไปถึง 9,000 คนมากันแล้วจะบอกเพียงข่าวแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีน่าจะกลับมาส่งข่าวกันบ้างสักหน่อยก็ยังดีนะส่งไปแล้วก็หายเงียบกันสำนวนหนึ่งก็บอกว่าอย่างก็ว่าให้ไปเอาไฟที่เมืองยักษ์ของกันถูกยักษ์เคี้ยวกินหมดอ่ะนะแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะทุกคนเนี่ยไปอะไรนะไปอภิเษกบรรลุมรคผลกันเรียบร้อยหมดเลยะนะ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 แต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกจักพาวรถมาแสดงแก่พ่อได้ไม่ลูกแสดงว่าท่านก็รู้ตัวนะเพราะว่าท่านก็หลังจากนี้อีก5ปีท่านก็ปรินิพานนะแสดงว่าก่อน5ปีก่อนจะสิ้นชีวิตนี้ก็รู้แสดงว่าพอจะรู้ว่าลักษณะสุขภาพของตัวเองดีการุ้ทายีอามัดก็กราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าค่าถ้าข้าพระพุทธเจ้าได้บวชนะหมายความว่าทูล น, นิมนต์ได้แหละแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องได้บวช คือท่านก็อยากบวชมากะนะแต่ว่ามันก็ไม่มีใคระนะเพราะว่าทุกคนก็ออกไปหมดแล้วอะไรไปหมดแล้วเขาทำงานต่างประเทศพระการทาหน้าที่สาเร็จราชการอยู่มนก็เลยใช้ให้ไปก็ได้แต่ว่าขอบวชแต่ใจของท่านเหล่านั้นก็อยากบวชนะเพราะท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่สั่งสมบุญมาแสนกับโดยมากอย่างกาลุทายีอามาดเนี่ยทำบุญมาแสนกับแล้วเป็นเอตทคฆะนะว่าทำสกุลให้เลื่อมใสเพราะว่าพระกาลุทายีอามาเนี่ยนะ